คานะควรรู้ยิ่งกลิ่นควรรู้ยิ่งคานะวิญญาณควรรู้ยิ่งคานะสัมผัสควรรู้ยิ่งแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่มีคานะสัมผัสเป็นปัจจัยก็ควรรู้ยิ่งรู้ยิ่งแค่ไหนก็ด้วยยาตะปริญญาเป็นอย่างน้อยเนี่ยนะส่วนธรรมชาติใดย่อมนำมาซึ่งชีวิตธรรมชาตินั้นชื่อว่าชิวหาแค่ลิ้นมันไม่ค่อยอยากรับรู้รสนี้ก็เดือดร้อนนะ ทานอาหารอะไรเข้าไปก็เย็นชาไปหมดเลยนี่แหมมันไม่อยากได้ชีวิตแล้วนะไม่ค่อยอยากเป็นเท่าไหร่เนี่ยเพราะตัวที่นํามาสืบชีวิตหรือร้องหาชีวิตเรียกว่าชีวหาก็ได้มันเป็นตัวที่ร่ําร้องเอาชีวิตจริงๆนะถ้าเมื่อใดที่เราไม่อยากรับรู้รสแล้วนะเมื่อนั้นก็ไม่ค่อยอยากมีชีวิตนะไม่รู้จะอยู่ไปทําไมอาหารก็ไม่อร่อยอะไรก็ไม่ดีเรื่องสักอย่างเลยนะ กินอะไรก็ไม่อร่อยมาตลอดเลยเนี่ยไม่รู้จะอยู่ไปทําไมเหมื่อกันเพราะฉถ้าว่าโลกของผู้โดยชนทั่วๆไปเนี่ยมันอยู่เหมือนกับว่าร้องไว้ร้องหาชีวิตจริงๆก็อาหารอะไรที่เหมือนกับว่าเอาแผ่นอะไรมาปิดลิ้นเอาไว้นะอาหารนั้นเนี่ยหมดสภาพเลยนะแพงขนาดไหนก็ไม่ได้ประโยชน์เลยนะถ้าถ้าเอาอะไรแผ่นอะไรมาปิดลิ้นอ่ะนีชิวหานั้นย่อมยังความเป็นวัตถุวัตถุของชิวหาวิญญาณเป็นทวารของชิวหาทวารวิถี ให้สำเร็จตั้งอยู่ตำแหน่งมีสันฐานดังปลายกลีบดอกบนแตกเหมือนกลีบ ป, ปลายดอกบวัวแตกเนี่ยนะในท่ามกลางแผ่นดิน้นเบื้องบนเว้นปลายสุดโคนและข้างๆแห่งสาสมภาระชิวหาก็คือมันมันมันก็มีตำแหน่งนะถ้าเป็นทางโลกเขาแบ่งเลยอ่าส่วนนี้รับรู้เปรี้ยวนี่เค็มนี้ขมอะไรเนี่ยนะของมาชมอ้ไข่เนี่ยนะมันช่างวิสูจนิงงเลยนะลิ้นดีมาก แต่ที่นี้บอกว่ามีสันฐานดังปลายกลีบดอกอุบลแตกในหนังสือที่เรียกว่าสารสาระนะสารสาระสาังกฤษเรียกอะไร Reader Digest ใช่ไหมเรียอะไรหนังสือเล่มนั้นะที่เป็นอธิบายร่างกายพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยเขาถ่ายภาพออกมาว่าไอปาป้ปลายกลีบปลายปลายลิ้นเนี่ยนะมันเหมือนรูปดอกบัวปลายกลีบแตกอย่างนี้จริ ง, รงๆในในหนังสือนนั้อยู่กับใครจานเะอ็ด นนะมีนั่นหนังสือเล่มนั้นนะ่ะที่ขั้นๆไว้เนะ่ะมันจะมีรูปสีขาวๆเหมือนกับปลาขนไก่แต่ถ้าดูนี่นเหมือนดอกบัวจริงๆเหมือนปลายดอกบัวแตกซึ่งเอ๊ะก็น่าคิดนะนะว่าท่านก็ไม่ได้มีกล้องมีอะไรมาถ่ายนะแต่ท่านก็พูดเหมือนอย่างที่ที่สมัยใหม่เขาก็ทําให้ดูนะซึ่งตาราเนี่ยคนละสายกันเลยนั้นธรรมชาติที่นํามาซึ่งชีวิตนะเป็นตัวที่เรียกร้องหาชีวิตธรรมชาตินะนะั้นน่ะชื่อว่า ลิ้นใช่ไหมส่วนสัตว์ทั้งหลายย่อมยินดีซึ่งธรรมชาตินั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่ารสเราทั่วๆไปเวลาโฆษณาเรื่องอาหารก็รสชาติใช่ไหมเป็นที่ยินดีของสัตว์จริงๆเนี่นรสเนี่ยสัตว์ต้องการสแสวงหารสมากติดในรสมากบางคนนี่บวชไม่ได้ก็เพราะติดในรสนี่เลยติดรสเนี่ยติดขนาดไหนติดขนาดที่เรียกว่าบางคนนะเออเขทางขอให้มันผ่านลิ้นแล้วทายทิ้งก็ไม่เป็นไรขอให้ได้กินแล้วผ่านลิ้นนะนีย ถึงไม่ได้เข้าไปเลี้ยงร่างกายก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เคี้ยวได้กลัก้กลื่นคายทิ้งไปแล้วก็เคี้ยวมาให้มันผ่านลิ้นให้ลิ้นมันรู้รสนะกลุ่มคนไข้ประเภทนี้ก็มีอยู่นะก็ขอให้ไม่ได้กินของอร่อยอร่อไว้ก่อนนะไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรให้มันผ่านลิ้นไปพมันเป็นที่ยินดีแห่งหมูสัตว์จริงๆเลยในะลิ้ม อาศัยลิ้นกับรสเกิดชิวหาวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมการเป็นัะทศทะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาใช่ไหมอันลิ้นควรรู้ยิ่งรสควรรู้ยิ่งชิวหาวิญญาณควรรู้ยิ่งชิวหาสัมผัสควรรู้ยิ่งแม้สุขเวทนาทุกเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่มีชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยก็ก็ควรรู้ยิ่งนะในเรื่องของทวารลิ้นนะมันต่อด้วยกรรมฐานอย่างอื่นอีกใช่ไหมเช่น อาหาเรปฏิกูลสัญญาเนี่ยนะที่ควรจะเจริญต่อไปมาดูทวารอื่นบ้างนะว่าธรรมชาติใดเป็นบอ่อเกิดแห่งสาสวัตธรรมทั้งหลายอันบันดิตเกลียดฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่ากายะกายะภาษาธานะั้นนึกยังนึกประโยชน์ไม่ออกเลยนะเว้นไว้เป็นที่อาศัยเกิดของกิเลสอย่างเดียวประโยชน์อย่างอื่นๆนี่นึกไม่ออกเลยวันดีตรงไหนเนี่ยนะว่าในในกายะภาษาธานะ ประโยชน์ต่อการรู้อริยสัจก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็ไม่ได้เกี่ยวสักอย่างเลยนะนอกจากเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์แล้วก็ถ้ามันดีๆหน่อยก็เอาไว้เกิดกิเลสเท่านั้นเองทุกแห่งเลยนะถามว่าไอการรู้จักรู้รู้หนาวรู้ร้อนของเรานี่มันดีตรงไหนดีตรงไหนบ้างนะรู้หนาวรู้ร้อนเนี่ยนะถ้ า, ถ า, ถ า, ถาก็เลยสแสวงหาไอโพธิพารมกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะมันร้อนเกินไปก็ทนไม่ได้เย็นเกินไปก็ไม่ได้ก็สแสวงหาโพธิพารม เพราะฉะนั้นท่านบอกว่าเป็นบอ่อเกิดแห่งสาสะวะ ร, รมอันบันดิตเกลียดเนี่ยนะนั้นพรมนี่เขารังเกียจนะพรมนี่รังเกียจทวารกายมากมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยต่อการบรรลุมรรคผลเนี่ยนะนอกจากว่ายังบาปอย่างอื่นอีกบานเลยส่วนคําว่ากุอายะเนี่ยนะกุเนี่ยมาจากคําว่าสพมัน่าเกลียดนะส่วนอายะก็เป็นที่เกิดความเป็นไปแห่งอุปาทินรูปในกายนี้มีอยู่ตราบใดตราบนั้นกายยประสาทะนั้นยังความเป็นวัตถุ วัตถุแห่งกายวิญญาณและทวารตามสมควรแก่จิตในกายทวารวิถีให้สำเร็จตั้งอยู่ในกายโดยมากท่านบอกว่าโดยมากหนยะเพราะบางส่วนที่ก็มีตายแล้วใช่ไหมมีส่วนไหนที่บางทีที่ตายแล้วก็ไม่เป็นที่ตั้งแห่งกายะวิญญาณธรรมชาติใดย่อมถูกต้องฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าโพธิภพโพธภก็คือแบ่งออกเป็นสามนะปฐวีโพธภพารมณ์หนึ่งสอง เตโชโพธพารมิสามวาโยโพอธพารมิอาศัยกายกับโพธภาเกิดกายวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมกันเป็นภาษะภาษะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาที่จริงนะเวลาปวดนิดๆอะไรคันนิดๆนี่ยน่าจะสาธยายอย่างนี้บ้างไว้ก็ยังดีะนะไอ้คุ้นๆบ้างะนะใช่ไหม อย่างเช่นพัดลมเป่าเย็นเอออาศัยกายกับโทพธิภพเกิดกายวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมกันเป็นภาษาภาษ ะ, ะเป็นปัจจัยจึงเกิดเลทนาเดี่ยนะก็ฝึกฝึกษาทยายอย่างนี้ไปบ้างนะน่าจะได้ประโยชน์ไม่ใช่น้อยเลยนะทุกคนทุกแห่งเนี่ยนะทีนี้มาดูทวารใจบ้างว่าธรรมชาติใดย่อมรู้ฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่ามโนอธิบายว่า ย, ย่อมรู้อารมณ์ต่างๆมันรู้ไปมันรับรู้ไปทุกเรื่องอ่ะนะไม่ให้เรารู้เราก็ไม่พอใจอีก ให้เรารู้หน่อยสิเรื่องเข้าไปยังไงมายังไงนะธรรมชาติที่แหมรับรู้ไปหมดนะธรรมชาติที่อยากรู้ไปซะหมดก็ได้ธรรมชาติใด ย, ย่อมทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าธรรมะธรรมารมณ์คำว่ามโนใจได้แก่ผวังขจิตนะทบทวนว่าไอ้ที่มโนได้แก่ผวังที่เป็นไปกับด้วยการรับอารมณ์คำว่าธรรมะธรรมะคือธรรมารมณ์สิบสองประเภท บอกให้ขีดทิ้งแล้ใช่ไหมเชิงอัดนั่นน่ะเชิงอัดนี่เอาทิ้งให้หมดเลยนะไม่เอาเอาใหม่เขียนขึ้นมาใหม่ว่าเชิงอัดนั้นผิดอายตนะภายในหกอะฮวงเล็บไปเลยอายตนะภายในหกอารูปประขันสามสุขุมมรูปหนึ่งนิพพานหนึ่งบัญญัติหนึ่งเชื่อว่าธรรมมรุมเอาใหม่นะอายตนะภายในหก เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันสามอย่างนี้เรียกอรูปขันสามสุขุมรูปหนึ่งสุขุมรูปจริงๆมีสิบหกใช่ไหมแต่นับหนึ่งนิพพานหนึ่งบัญญัติหนึ่งอันนี้มาจากปฏิสัมพิธามัคัตกตาคันที่บทประทัศวินิชัยเนี่ยนะหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดดีกาดีกาดีกาปฏิสัมพิธามัคหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดของภูมิพโลนะเรียกว่าปฏิสัมพิธามัคคตกตา ทันทีบทประทัศพินิจัชเพราะว่าเป็นบาลีก็บอกว่าอัชติการิชาปิจะตตโยจะขันธาอรูปิโนรูปามปิสุขุมังนิพานมปิจะปัญญติจาติธรรมภูตาวิสยาติทวาทสะ ว, วิทัตังสันทายะาทวาทสะเพทาตินนะก็ไปดูภาษาบาลีเอานะ สรุปนะว่า12คืออายตนาภายใน6อรูปประคัน3สุขุมมรูป1นิพพาน1บัญญัติ1รวมเป็น12นี่แหละเรียกว่าธรรมมารม12ประเภทส่วนคําว่ามโนวิญญาณก็คือมโนวิญญาณจิตได้แก่มโนวิญญาณที่ทําชาวนากิจคําว่ามโนสัมผัสได้แก่มโนสัมผัสได้แก่ภาษะเจตสิกที่ประกอบกับมโนวิญญาณนั้น มโนสัมผัสนั้นเป็นปัจจัยแก่เวทนาที่ประกอบด้วยอํานาจปัจจัยเจ็ดปัจจัยที่เหลือเว้นวิปากับปัจจัยเพราะว่าชาวนะเนี่ยภาษะในชาวนะนี่ไม่เป็นวิบากใช่ไหมชาวนะทั่วๆไปเว้นชาวนะในโลกุตระจิตเนี่ยชาวนะไม่เป็นวิบากเพราะฉะนั้นจึงเอาวิปากับปัจจัยออกไปเป็นปัจจัยแก่เวทนาที่ประกอบกับชาวนะที่ถัดลําดับมาก็ด้วยอํานาจอนันตระปัจจัย ถักจากนั้นหลังมาก็ด้วยอำ น, นาจประ ต, ตูปะนิสยะปัจัยนั่นเองวันนี้ก็ธรรมะสามสิบในทวารหกทวารตามีห้านะหนึ่งตาสองสีสามจักรุวิญญาณสีภาษะห้าเวทนาทวารหูก็อีกห้าทวารจมูกก็ห้าทวารลิ้นก็ห้าทวารกายก็ห้าทวารใจก็ห้าก็รวมเป็น เป็นสามสิบห้าหกสามสิบเนี่ยนะทั้งหมดนั้นก็ควรรู้ยิ่งสำหรับปฏิสมัมพันา์วันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่า น, นี้ก่อน